Mm-hmm. ทางโลกกับทางธรรมประการหนึ่งพึงเข้าใจว่าการเรียนทางโลกกับการเรียนทางธรรมทวนกระแสกันเรียนทางโลกเป็นการเรียนออกยิ่งเรียนยิ่งออกห่างจากตัวเองเมื่อแรกเรียนครูจะสอนให้รู้เรื่องของตัวเองก่อนรู้ว่าตาของเรามีประโยชน์อย่างไรรักษาอย่างไรหูมีประโยชน์อย่างไรรักษาอย่างไรฟันมีประโยชน์อย่างไร รักษาอย่างไรและอื่นๆรู้เรื่องในตัวพอสมควรแล้วจึงเรียนของนอกตัวการเรียนของนอกตัวก็จับแต่ของใกล้ตัวออกไปหาของไกลตัวเริ่มด้วยเรื่องเสื้อกางเกงกระดาษดินสอตัวโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศรู้เรื่องประเทศของตนแล้ว ขยับออกไปเรียนถึงเรื่องประเทศใกล้เคียงประเทศที่ห่างไกลจนกระทั่งทั่วโลกผู้ใดรู้ไปไกลห่างจากตัวมากเท่าไหร่ผู้นั้นก็ได้รับการชมเชยว่ามีความรู้สูงเท่านั้นความรู้สูงทั้งโลกเป็นอย่างนี้ส่วนเรียนทางธรรมเป็นการเรียนเข้าคือเรียนจากข้างนอกเข้ามาหาตัวเริ่มด้วยเรียนเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นเช่น เรื่องต้นไม้ภูเขาเรื่องสัตว์และเรื่องของคนอื่นซึ่งเรียกว่าชาดกหรือนิทานพอสมควรแล้วย้อนเข้ามาหาเรื่องของตัวเองในเรื่องของตัวเองก็เรียนจากข้างนอกเข้าไปหาข้างในอย่าไปหาละเอียดเริ่มด้วยเรียนเรื่องผมขนเล็บฟันหนังและอื่นๆเข้าไปถึงตับถึงหัวใจอาหารใหม่อาหารเก่าหมดเรื่องธาตุดินแล้วก็เรียนเรื่องธาตุน้า ธาตุลมธาตุไฟที่อยู่ในตัวตามลําดับที่เห็นง่ายไปหาที่เห็นยากรู้เรื่องกายแล้วก็ขยับเข้าไปเรียนเรื่องจิตในเรื่องจิตก็จับแต่ความเป็นไปของจิตส่วนห ย, ยาบๆ พ, พื้นก่อนเช่นลักษณะของจิตโลภจิตโกรจิตหลงแล้วก็กล้าเข้าไปหาส่วนที่ละเอียดละเอียดโดยลําดับจนประชิดดวงจิตแท้แทรู้จิต เห็นจิตแล้วมีความปล่อยวางในที่สุดใครศึกษาอบรมจิตได้ดีเพียงใดก็จัดว่ามีภูมิรู้สูงเพียงนั้นความรู้สูงทางธรรมเป็นอย่างนี้พทธศาสนิกไครปฏิบัติธรรมก็ต้องดำเนินตามสายนี้คือพยายามรักษากายวาจาอันเป็นส่วนมารยาทภายนอกให้ดีแล้วประพฤติธรรมให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นโดยลาดับ จนถึงพยายามศึกษาอบรมจิตของตนอย่างนี้เป็นการเข้าถึงพุทธธรรมตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกการศึกษาอบรมเรื่องจิตจึงเป็นการก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมเบื้องสูงในทางปฏิบัติอันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการหมุนเวียนเป็นเหตุเป็นผลสืบต่อกันไปหว่านพืชไว้วันนี้ก็เป็นเหตุให้รับผลในวันหน้าทําความผิดในวันนี้ก็เป็นเหตุให้ได้รับ โทษทุกในวันต่อไปนี้คือเหตุและผลซึ่งเกิดขึ้นในระยะอันสั้นแม้แต่ความสืบต่อแห่งเหตุและผลในระหว่างพบตอบพบชาติต่อชาติก็เ ข, ข้าในลักษณะนี้คือการกระทาในชาตินี้ย่อมเป็นเหตุให้บังเกิดผลในชาติหน้าชั่วหน้าด้วยพระพุทธศาสนาได้สอนให้เรารู้ความจริงอันหนึ่งว่าดวงจิตที่ยังไม่มีกิเลส ย่อมออกจากภพไปสู่ภพหมายความว่าตายแล้วก็ต้องเกิดอีกภพใหม่นั้นเรียกว่าคติใครจะไปสู่คติดีหรือเลวย่อมวินิจฉัยกันด้วยจิตจิตผ่องใสก็ไปสู่คติที่ดีจิตเศร้าหมองก็ไปสู่คติที่เลวผู้คิดการไกลหวังอนาคตอันแจ่มใสจึงไม่ละเลยในการศึกษาและอบรมจิตของตนประการสําคัญ ผลสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงพุทธศาสนิกจะพึงได้พึงถึงก็ด้วยการปฏิบัติจิตเป็นอันสรุปได้ว่าการศึกษาอบรมจิตก็คือการกระทาเพื่อสร้างเสริมค่าของตอนเพื่อความเป็นอยู่ด้วยดีของตอนในสังคมมนุษยชาติเพื่อขยบฐานะของตอนขึ้นสู่ภูมิธรรมเบื้องสูง เพื่อชาติหน้าชั่วหน้าอันเจ่มใสของตนเองเพื่อความบริสุทธิ์ลดพ้นจากทุกทั้งปวงและเพื่อประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนตลอดจนการครองใจคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรศึกษาอบรมจิตไม่ควรทอดทุระควรกระทำเสมอเท่าที่สามารถจะทำได้ส่วนใครจะทำได้มากหรือน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งการทาได้น้อยจะเอาเป็นความผิดทีเดียวไม่ได้ เพราะความสามารถของคนไม่เท่ากันแต่การไม่ทำเสียเลยนั่นแหละเป็นความผิดที่ไม่มีทางแก้ตัวเลยการที่บางคนลงความเห็นว่าการปฏิบัติจิตเป็นเรื่องของพระของเจ้าแล้วตนเองทอดทุระเสียนั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลเป็นการลวงตัวเองให้เหลืงจิตของใครคนนั้นก็ต้องอบรมเองฝึกฝนเองจิตที่พระอบรมฝึกฝนอยู่นั่นก็เป็นจิตของพระ ท่านไม่ได้มาถอดเอาจิตของเราไปตกแต่งให้เลยอย่าไปนึกว่าพระทำแล้วโยมจะต้องไม่ทำข้าพเจ้าได้บรรยายถึงคุณประโยชน์ของการศึกษาอบรมจิตมามากแล้วจะได้เริ่มนำท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องจิตเสียทีบทที่2กายกับจิตรูปกับนามอัตภาพของมนุษย์ผู้หนึ่งหนึ่ง ถ้าจะแบ่งส่วนประกอบต่างๆออกเป็นประเภทใหญ่ๆแล้วจัดไว้เป็นกองตามประเภทของส่วนประกอบนั้นๆก็จะได้เป็นสองกองคือ 1. กองรูปได้แก่อวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ปลายเส้นผมลงไปจดพื้นเท้ารวมความว่าก็ได้แก่ธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟและธาตุลมการที่ธาตุดินและธาตุน้าถูกจัดว่าเป็นรูปนั้น ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นของเห็นได้ด้วยตาแต่การที่ธาตุบางอย่างซึ่งไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเช่นไฟและลมในตัวถูกจัดเข้าในพวกรูปด้วยนั้นน่าจะเป็นปัญหาสำหรับบางท่านจึงขอชี้แจงไว้เสียในตอนนี้ว่าการที่ธาตุไฟและธาตุลมถูกจัดเข้าในกลองรูปนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีรูปเป็นแดนเกิดและเรารู้ได้ด้วยรูปยกตัวอย่าง ธาตุไฟในร่างกายอาศัยอวัยวะในวงเล็บรูปจึงมีอยู่ได้และเราจะรู้ได้ว่าร่างกายมีธาตุไฟหรือไม่ไฟอ่อนหรือไฟแรงเท่าไหร่ก็ด้วยเอามือในวงเล็บรูปแตะดูหรือเอาประหลอดในวงเล็บรูปวัดดูเพระาะธาตุไฟมีรูปเป็นแดนเกิดและรู้ได้ด้วยรูปอย่างนี้ธาตุไฟจึงถูกจัดเข้าในกล่องรูป ธาตุลมก็มีรูปเป็นแดนเกิดและเรารู้ได้ด้วยรูปเหมือนกันทางศาสนาแม้เสียงกลิ่นรสโพธพภะก็จัดเข้าในพวกรูปด้วยเพราะเหตุผลดังกล่าวแล้วรูปทุกรูปทั้งรูปภายในทั้งรูปภายนอกทั้งรูปหยาบทั้งรูปละเอียดย่อมมีลักษณะห้าอย่างรวมอยู่คือมีวั น, นะได้แกีตสีต่างๆอย่างหนึ่งมีไอายเบ่ง ให้เกิดคลื่นอย่างหนึ่งมีไอเบ่งให้เกิดกลิ่นอย่างหนึ่งมีโอชะให้เกิดรสอย่างหนึ่งมีลักษณะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างหนึ่งลักษณะเหล่านี้จะรู้ได้เฉพาะทวางที่เป็นคู่กนันดังนี้สีต่างๆเห็นได้ด้วยตาไอเบ่ง <_ An military> ที่เป็นคลื่นฟังได้ด้วยหูไอเบ่งที่เป็นกลิ่นสูดได้ด้วยจมูกโอชะลิ้มได้ด้วยลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็ง ถูกต้องได้ด้วยกายกองรูปนี้เป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อธาตเหล่านี้ยังคุมกันอยู่ถูกส่วนสัมพันธ์กันก็เป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้เราเรียกว่ากายถ้าธาตเหล่านี้แยกจากกันก็เสียรูปเสียร่างไปกองรูปเปรียบเหมือนตัวเรือนเป็นที่อาศัยของกองนาม 2. กองนามได้แค่สิ่งที่ไม่มีรูปปรากฏ มีแต่ชื่อแต่สิ่งนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอันเป็นอาการของจิตจิตนั้นเราไม่อาจเห็นได้ด้วยตาหรือพิสูจน์ได้ด้วยวัตถุใดๆใช้ปรลอดวัดดูก็ไม่รู้ใช้กล้องจุลทรรศขยายดูก็ไม่เห็นเพราะจิตไม่ใช่พวกวัตถุมีแต่ชื่อไม่มีตัวแต่ว่ามีจริงจึงจัดว่าเป็นนาม คนหนึ่งคนก็มีจิตหนึ่งดวงเท่านั้นแต่จิตทำหน้าที่หลายอยา่างและมีอาการแสดงออกได้ต่างๆซึ่งจะได้กล่าวต่อไปถ้านับตามอาการของจิตก็ชวนให้เข้าใจว่าคนคนหนึ่งมีจิตตั้งร้อยตั้งพันโปรดทราบว่าจิตของคนคนหนึ่งก็มีดวงเดียวเท่านั้นส่วนที่นับกันได้จำนวนมากๆนั้นเป็นอาการหรือเป็นงานของจิตเท่านั้น เหมือนคนคนเดียวทำงานหลายหน้าที่ถ้านับตำแหน่งหน้าที่ก็ดูมีมากคนแต่ถ้าชี้ตัวคนผู้เป็นเจ้าของหน้าที่ก็จะมีผู้เดียวเท่านั้นเป็นอันสรุปความตอนนี้ว่าอัตภาพของมนุษย์ผู้หนึ่งหนึ่งประกอบด้วยรูปกับนามหรือผู้ตามสามัญลักษณะว่ากายกับจิตรวมสองแขนงในการบรรยายนี้ข้าพเจ้ามุ่งบรรยายในแขนงที่สองคือจิต ส่วนเรื่องของกายก็จะพูดเท่าที่เกี่ยวข้องกับจิตเท่านั้นมโนจิตวิญญาณใจหัวใจมีคำใกล้เคียงกันอยู่คําคำคือคำว่ามโนจิตวิญญาณใจและหัวใจซึ่งควรจะได้ทำความเข้าใจดังนี้ 1. คําคำว่ามโน ตามแบบเก่าก่อนพุทธการหมายถึงาธาตุกายสิทธิ์อันหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตาธาตุกายสิทธิ์ที่กล่าวนี้เราสามารถรู้อารมณ์และให้สําเร็จความคิดจึงเรียกว่ามโนอย่างหนึ่งตามธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมายเอาทวารเป็นที่รู้ซึ่งธรรมารมณ์เรียกมโนทวาร 2. คําว่าจิตคือาธาตุกายสิทธิ์ ผู้ให้สำเร็จความคิดดังกล่าวแล้วนั่นเองท่านกยศิทธิ์ที่กล่าวนั้นนอกจากให้สำเร็จความคิดแล้วยังให้ทำการเก็บสั่งสมสิ่งที่คิดนั้นไว้ด้วยในฐานะเป็นผู้ให้เก็บสั่งสมจึงถูกเรียกตามคุณสมบัติส่วนนี้ว่าจิตคำว่าจิตแปลอย่างหนึ่งก็ว่าผู้ให้สั่งสมท่านผู้ฟังย่อมทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่า ท่านได้สั่งสมเรื่องราวต่างๆไว้อย่างไรข้าพเจ้าจะไม่ขอกล่าวให้พิสดารในตอนนี้แต่จะขออธิบายคําว่าสั่งสมสักเล็กน้อยถ้วยชามวันนี้ใส่แกงเผ็ดแล้วล้างพรุ่งนี้ใส่แกงจืดก็ชามใบเดียวกันนั่นเองแต่แกงเผ็ดกับแกงจืดไม่มีโอกาสได้ปะปนกันเลยอย่างนี้ถ้วยชามนั้นจะถูกเรียกว่าผู้สั่งสมได้หรือไม่ไม่ได้เพราะ ถ้วยชามนั้นทิ้งของเก่าแล้วจึงรับของใหม่คราวนี้โปรดนึกถึงกระดาษซับธรรมดากระดาษซับเก็บทุกตัวอักษรที่ซับไว้ซับเท่าไหร่ซับได้กระดาษซับแผ่นนิดเดียวไม่รู้จักอิ่มจักเต็มด้วยตัวอักษรตัวอักษรที่ซับไว้เมื่อวันก่อนๆ ก, ก, ก็ยังอยู่แล้ววันนี้ก็ยังซับเพิ่มเข้าไปอีกนานเข้าเลยไม่รู้ว่าสีเดิมของกระดาษซับ น, นั้นเป็นสีอะไรเลิกไปหมดและตัวอักษรตลอดจนลวดลายต่างๆที่ติดอยู่ในกระดาษซับนั้นก็ดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรรูปอะไรเก็บอย่างกระดาษซับนี้เรียกว่าสั่งสมแท้อะไรให้ท่านสั่งสมอย่างนั้นให้ท่านเก็บอย่างนั้นหรือก็จิตนั่นเองจิตให้สําเร็จความคิดด้วยให้สําเร็จการสั่งสมด้วย 3. วิญญาณหมายถึงอาการรู้ของจิตยอย่างหนึ่งที่เรียกวิญญาณขันอันเกิดทางทวารทั้งหกอีกอย่างหนึ่งหมายเอ า, าธาตุรู้ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุซึ่งเป็นาธาตุเกษติที่กล่าวนั้นนอกจากสามารถให้สำเร็จการคิดและการสังสมแล้วยังมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์อยู่ในตัวเพราะคุณสมบัติส่วนนี้จึงถูกเรียกว่าวิญญาณ เรื่องรู้นี้ข้าพเจ้าจะบรรยายตอนว่าด้วยงานของจิตข้างหน้าคำว่าใจเป็นภาษาไทยแท้โดยมากหมายถึงมโนทวารที่เรียกคู่กันว่ากายวาจาใจกายก็คือกายยัตวานวาจาก็คือวจีทวารใจก็คือมโนทวานแต่บางแห่งก็หมายถึงธาตุกยสิทธิ์อันเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้อหนึ่ง สองและสามนั่นเองข้าพเจ้าเคยฟังคำอธิบายคำว่าใจในแง่ภาษาไทยว่าคำว่าใจนี้ไม่ใช่ภาษาไทยแท้แต่มีมูลศัพท์เดิมออกมาจากจีธาตแปลว่าสังสมในภาษาบาลีแปลงอีเป็นยะตามทางไวยากรณ์สาเร็จรูปเป็นจะยะแปลงเข้าสู่ภาษาไทยเป็นใจต่อมาทางพยัญชนะเพี้ยนเป็นใจใช้ไม้มลัย และใจใช้ไหม้หมวนแต่สำเนียงอ่านคงเดิมผู้อธิบายอ้างว่าเขาเคยเห็นในหนังสือเก่าเขียนคำว่าใจนี้ในรูปใจคือจอจานไม่แหนอากาศย่อยักและใจไม่มลัยจอจานข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นจริงอย่างนี้คำว่าใจที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ก็จะมีมูลสัพ์และความหมายเป็นอันเดียวกับคำว่าจิตที่กล่าวมาแล้วนั่นเองแต่ก็ยังไม่ปรงใจนักว่าคำนี้จะออกมาจากภาษาบาลีเช่นนั้นจริงเพราะนักภาษาบาลีมักจะลากเอาภาษาอื่นมาเป็นภาษาบาลีบ่อยๆแม้ภาษาไทยแท้ๆก็จะถูกจับบวชเสียไม่ใช่น้อยในเรื่องคำว่าใจนี้ก็เป็นเพียงนามาเล่าสู่กันฟัง 5. ้ หัวใจหมายถึงก้อนเนื้อก้อนหนึ่งในร่างกายเป็นคนละอันกับจิตจิตเป็นนามธรรมส่วนหัวใจเป็นรูปธรรมหัวใจเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายแต่คนไม่รู้มักจะเอาคาว่าหัวใจมาใช้แทนชื่อจิตซึ่งเป็นการใช้ผิดสรุปคาว่ามโนวิญญาณจิตและใจสี่คำนี้ท่านว่าเป็นชื่อแห่งสิ่งสิ่งเดียวกัน คือหมายถึงาธาตุกยสิทธิ์อันเดียวกันนั่นเองแต่มักเรียกไปตามคุณสมบัติดังกล่าวแล้วในคำพีวิสุธทธิมักท่านได้กล่าวไว้ว่าวิญญาณังจิตตังมโนติอัตโตเอกังแปลว่าคำว่าวิญญาณจิตและมโนโดยใจความเป็นอันเดียวกันและในอภิธานับปฏิปิกาและสูจิท่านก็ให้อธิบายไว้ว่า ยังหิธรรมชาตังจิตตันติวุจติแตเดววิญญาณังแปลว่าธรรมชาติใดที่ท่านเรียกว่าจิตธรรมชาตินั้นนั่นเองชื่อว่าวิญญาณกิริยาอาการลักษณะและที่อยู่ของจิตได้กล่าวมาในตอนก่อนแล้วว่าจิตคือท่ากยิยสิทธิชนิดหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในร่างกายของคนที่ยังมีชีวิต คราวนี้ขอเชิญพิสูตต่อไปว่าจิตนั้นมีกิริยาอาการลักษณะเป็นอย่างไรและที่ว่าอยู่ในร่างกายนั้นอยู่ตรงไหนในการบรรยายนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระบาลีอันมีมาในคัมภีร์ธรรมบทซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อสังขระคิตะชาวเมืองสาวัตถีมาเป็นหลักพิจารณา พระบาลีนั้นว่าทูรังขมังเอกจรังอสเรรังคูห้าสยังคำบาลีที่ยกมานี้เป็นคุณบทแสดงถึงลักษณะของจิตหลายประการั้งจะกล่าวอธิบายต่อไปนี้บทว่าทูรังขมังแปลว่าไปไกลข้อนี้บอกกิริยาของจิตว่าเป็นสภาพไปรับอารมณ์ในที่ไกลพูดง่าย คือคิดไปได้ไกลนั่นเองข้อนี้คงจะไม่มีใครสงสัยเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าจิตคิดไปได้ไกลจริงๆตัวอยู่ที่นี่จิตคิดล่องลอยไปถึงต่างประเทศก็ได้การไปของกายต้องอาศัยยวดยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นๆตามความจำเป็นของที่จะไปแต่การไปของจิตไม่ต้องพึ่งยานพาหนะใดๆเป็นการไปโดยลาพังแท้ การไปที่ว่านี้พึงเข้าใจว่าไปด้วยการคิดคือคิดไประหว่างจิตของคนงมั่งมีกับจิตของคนยากคนจนถ้าตัวอยู่กรุงเทพจะคิดไปเชียงใหม่จิตก็ย่อมคิดไปได้เท่าเท่ากันเป็นนั้นว่าจิตมีสมรรถภาพพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือไปได้ไกลเมื่อไปได้ไกลก็หมายความว่าไปใกล้ๆก็ได้แม้คาบาลีไม่ได้บอกว่า ไปใกล้ได้ก็พึงเข้าใจแนวความทางเหตุผลเหมือนกับจะอธิบายถึงสมรรถภาพของนักกีฬาคนหนึ่งว่าสามารถกระโดดไกลได้ถึง10เมตรก็ย่อมเป็นที่ทราบกันว่าถ้าเขาจะกระโดดสัก 2-3 ถึงเมตรก็ได้บทว่าเอกจรังแปลว่าเที่ยวไปดวงเดียวข้อนี้บอกอาการของจิตอธิบายว่าจิตนั้นแม้จะสามารถคิดอะไรอะไรได้ร้อยแ แต่ก็คิดได้ทีละอย่างละอย่างเท่านั้นจะคิดสองถึงสามอย่างพร้อมกันในขณะเดียวกันหาได้ไหมข้อนี้บางท่านอาจสงสัยเช่นเวลากำลังดูหนังตาก็เห็นการแสดงบทบาทของตัวละครในขณะเดียวกันนั้นหูก็ได้ยินเสียงดนตรีและรู้สึกเจ็บเมื่อยุงมากัดผิวหนังอาการเหล่านี้เสมือนว่าจิตได้รู้ในขณะเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ จะมีเป็นอันว่าจิตได้ทำงานหลายอย่างในขณะเดียวกันหรือไม่หรือคนคนเดียวอาจมีจิตหลายดวงข้อนี้โปรดทราบว่าจิตมีดวงเดียวและทำงานได้ทีละอย่างเท่านั้นแต่ว่าจิตมีสภาพเป็นที่คล่องแคล่วว่องไวกลับตัวได้เร็วมากในเวลาดูละครที่ว่านั้นก็จิตดวงเดียวนั่นเองรับรู้ทางตาแล้วรับรู้ทางหู แล้วรับรู้ทางกายหรือรับรู้ทางตาหูกายกายหูตาหูกายตาอย่างรวดเร็วที่สุดจนเห็นเป็นว่าจิตได้ทำงานเหล่านี้ในขณะเดียวกันการไปของจิตภาษาพระเรียกว่าชวนะแปลว่าการวิ่งไม่ปรากฏว่ามีที่ใช้คำว่าเดินเป็นกริยาของจิตเพราะจิตมีปกติ ไปเร็วมากเร็วกว่าการไปของร่างกายหลายร้อยหลายพันเท่านักถ้ายิ่งอารมณ์มีมากระทบแรงมากจิตก็ยิ่งวิ่งเร็วมากขึ้นบางทีจิตสั่งงานเร็วเกินไปทําให้ประสาททางกายกลับตัวไม่ทันเลยทําอะไรอะไรไม่ถูกก็มีเช่นคนกําลังโต้เถียงกันอย่างรุนแรงโทโสสุดขีดจิตสั่งให้ปากทํางานเร็วเกินไปเลยพูดอะไรไม่ออก ปากคอสั่นอยู่เฉยๆคนที่กลัวเกินไปแทนที่จะวิ่งหนีอย่างเร็วกลับยืนขาแข้งสั่นจังงังอยู่กับที่ก็มีแม้ความรักซึ่งเป็นอารมณ์จำพวกที่จิตชอบเวลารัก จ, จัดจัดเข้าก็ทําให้ปากคอสั่นไปได้เหมือนกับการเกี่ยวพาราสีกันด้วยสัมปัตสํานนนที่หยดย้อยนั้นจะทาได้ก็แต่ในขณะที่จิดตดาเนินอยู่ตามปกติเท่านั้น อย่างพวกเลิเกละครที่พูดจากเกี่ยวพาราสีกันด้วยถ้อยคำที่เหมาะเจาะดีที่สุดนั้นว่าที่จริงขณะนั้นจิตเขาดำเนินอยู่ปกติไม่ได้รักกันจริงๆหรือแม้จะรักกันก็คงไม่อรุนแรงนักถ้าความรักกำลังวิ่งขึ้นสุดขีดก็พูดไม่ออกในการบังคับร่างกายจิตก็สั่งงานได้ทีละอย่างเท่านั้นแม้ในงานที่ทาง่าย จิตจะสั่งพร้อมกัน2อถึง3อย่างก็หาได้ไหมลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันคือให้เอามือซ้ายกับมือขวาถือดินสอไว้ข้างละแท่งเตรียมไว้แล้วให้จิตสั่งให้มือซ้ายเขียนศูนให้มือขวาเขียนเลขหโดยให้มือทั้งสองข้างทำงานนี้พร้อมกันจะทำได้ไหมทำไม่ได้ทั้งสองข้างจะเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เป็นรูปอะไรเลย นี้แสดงว่าจิตจะสั่งงานในขณะเดียวกันสองสอย่างไม่ได้เว้นแต่งานนั้นจะเป็นงานที่ร่างกายเคยทำจนชินเช่นการยกมือยกเท้าเป็นต้นเท่านั้นอันหนึ่งจิตจะคิดไปไหนไปไหนก็คิดไปผู้เดียวแปลกจากการไปของร่างกายคือกายถ้าจะไปในที่มีภัยน่ากลัวหรือในที่เปลี่ยวจะต้องมีเพื่อนจึงจะไปได้แต่จิต หาได้เป็นเช่นนั้นไม่จะคิดไปไหนๆก็คิดไปดวงเดียวไม่ว่าที่นั้นจะน่ากลัวหรือไม่ไม่มีติดขัดและตามปกติจิตของสามัญชนระหว่างจิตของเรากับจิตของคนอื่นก็ไม่เคยพบปะกันเลยท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ลองคิดไปที่เชียงใหม่ดูจิตกับจิตจะพบกันก็เปล่าไม่ใช่ว่าคิดไปคิดไปแล้ว จิตเราจะไปเจอเอาจิตของใครเข้าแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวดูโน่นดูนี่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะคิดไปเชียงใหม่ซึ่งมีบริเวณกว้างเลยต่อให้คนทั้งแสนคิดถึงไปในขวดยาดั๊บขวดเดียวกันในขณะเดียวกันจิตตั้งแสนดวงก็จะไม่พบกันเลยทั้งไม่รู้สึกเบียดเสียดคับแคบด้วยโดยในนี้คล้ายกับว่าในโลกนี้มีแต่จิต ของเราดวงเดียวเท่านั้นบทว่าเอกจรังคือความเที่ยวไปดวงเดียวนี้บอกอาการของจิตบทว่าสเรจรังแปลว่าไม่มีสรีระข้อนี้บอกลักษณะของจิตว่าจิตเป็นของไม่มีตัวเมื่อไม่มีตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดคือจะกำหนดโดยสันฐานว่าสูงต่ำกลมแบนก็ไม่ได้จะกำหนดโดยสีว่า สีดำสีขาวสีเขียวแดงก็ไม่ได้หรือจะกำหนดโดยขนาดว่าเล็กหรือใหญ่อย่างไรก็ไม่ได้ถ้าใครจะถามเราว่าจิตมีลักษณะอย่างไรเราก็ตอบได้แต่เพียงว่าอสเรรังเท่านั้นในที่มาบางแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงลักษณะของจิตแต่เพียงว่าสุรุตระสัง่งในวงเล็บเห็นยากที่สุด สุนีปูนังในวงเล็บละเอียดที่สุดดังนี้เชื้อโรคตัวเล็กๆยังพิสูจน์ได้ด้วยกล้องเสียงในอากาศก็ใช้เครื่องดักฟังได้เพราะเชื้อโรคและเสียงเป็นพวกวัตถุจึงใช้วัตถุพิสูจน์ได้ส่วนจิตไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวัตถุเพราะละเอียดยิ่งกว่าวัตถุจิตเป็นธาตุกยสิทธิ์ในจําพวกนามธรรมคือเป็นของไม่มีตัวมีแต่ชื่อ แต่ว่ามีจริงไม่ใช่ไม่มีของอื่นที่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีตัวก็มียกตัวอย่างความรู้ที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วหากจะมีใครถามว่าความรู้ของท่านมีไหมท่านก็จะตอบทันทีว่ามีถ้าเขาซักตอบไปว่าตัวตนรูปพันสันฐานของความรู้เป็นอย่างไรท่านก็จะตอบว่าไม่ทราบแต่ท่านก็จะยืนยันอยู่บนยังค่าว่า ความรู้มีจริงบทว่าคูห้าสยังแปลว่ามีถ้าเป็นที่อาศัยหรืออาศัยอยู่ในถ้าข้อนี้บอกที่อยู่ของจิตคําว่าถ้ำในที่นี้หมายเอาร่างกายข้าพเจ้าขอบรรยายเรื่องร่างกายซึ่งเป็นเรือนที่อยู่ของจิตให้พิสดารสักหน่อยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติทางจิตมองร่างกายนี้ในทัศนะอย่างไร ร่างกายนี้ว่าโดยกําเนิดเป็นของประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่อย่างคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมธาตุดินได้แก่ส่วนประกอบของร่างกายที่มีลักษณะเข้มแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังธาตุน้ําได้แก่น้ําต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำตาธาตุไฟได้แก่สิ่งที่มีลักษณะอบอุ่นซึ่ง ทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอธาตุลมได้แก่ลมในร่างกายเช่นลมหายใจร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุสีดังกล่าวนี้มีขนาดกว้างกามือยาววานาคืบมีห้ากิ่งซึ่งเรียกว่าเป็นจสาขาคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งรวมเป็นห้ากิ่งที่ท่านเรียกร่างกายว่าถ้ม ก็เพราะร่างกายมีลักษณะเหมือนถ้ำคือมีโพรงข้างในมีช่องทางเป็นประตูเข้าออกได้แก่ทวารทั้ง9คือช่องตาสองช่องหูสองช่องจมูกสองช่องปากหนึ่งช่องเบาหนึ่งช่องหนัก1ช่องเหล่านี้เป็นทางนําอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายบ้างเป็นทางถ่ายเทของบูตรเสียออกจากร่างกายบ้าง มีจักรสี่คื อ, อยุริยาบททั้งสี่ได้แก่การยืนเดินนั่งและนอนพลัดเปลี่ยนกันให้ร่างกายมีชีวะเป็นไปร่างกายของมนุษย์สำเร็จเป็นรูปอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้เพราะมีกระดูกเป็นโครงรึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นฉาบไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มไว้ด้วยผ้นหนังดูข้างนอกสะอาดแต่ข้างในเป็นพโพรงรุงรังด้วยสัมภาระต่าง มีสายโยงไปมายุ้วเยื้อเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลถ้าสมมติว่าร่างกายนี้ถูกกลับเอาข้างนอกเข้าไปไว้ข้างในเอาข้างในออกมาเป็นข้างนอกก็จะเป็นภาพที่ดูไม่ได้เลยมนุษย์จะไม่พึงพิษในรูปร่างของกันแต่จะเป็นที่เลี้ยวแลของฝูงกาและฝูงสุนัขซึ่งสำคัญว่าเป็นก้อนเนื้อเท่านั้นความจริงความสวยงามของคนเราที่เราชมกันอยู่ทุกวันนี้ สวยอยู่เพียงนิดเดียวตรงผิวหนังนี้เท่านั้นเองถ้าผิวหนังถูกขูดออกแม้ลึกไม่ถึง1มิลิเมตรความสวยก็จะหมดไปทันทีในคำพีวิสุทธิมักยังพนานาไว้อย่างพิสดารอีกว่าในร่างกายของมนุษย์มีหนอนอาศัยอยู่ถึง32ตระกูลในวงเล็บเห็นจะหมายถึงตัวพยาธบางจำพวกปากกลมบางจาพวกปากแบน เขาพากันเกิดอยู่ในร่างกายนี้เจ็บป่วยล้มตายอยู่ในร่างกายนี้วิ่งเต้นเล่นหัวอยู่ในร่างกายนี้พวกมันได้พากันยึดเอาร่างกายของเราเป็นบ้านเป็นเรือนคลอดเป็นที่เที่ยวหย่อนใจเป็นที่ถ่ายเป็นโรงพยาบาลและเป็นป่าช้าของพวกมันเบ็ดเสร็จพอถึงเวลารับประทานอาหารเจ้าพวกหนอนเหล่านี้มันพากันมารออยู่ที่ ที่อาหารจะตกลงสู่กระเพาะส่งเสียงอื้ออึงพออาหารถูกกลืนตกลงไปมันก็พากันกระโดดโลดเต้นชูคอขึ้นรับรุมแยกกันกินในว่าอาหารคำแรกๆที่เรากลืนลงไปนั้นได้ถูกพวกตีนรงตีนสารเหล่านี้แย่งเอาไปหมดข้าพเจ้าอ่านคัมภี์วิสุทธิมรรคแล้วเคยคิดเล่นๆว่าตอนเราเริ่มรับประทานอาหาร เราลองซดน้ำแกงจืดร้อนๆลงไปเป็นคำแรกโจพวกนี้คงจะอนละเวงกันใหญ่เห็นจะสิ้นกำแหงไปมากทีเดียวถ้ายิ่งได้กระหน่ำซ้ำเติมลงไปอีกสองสช้อนติดติดกันมันคงจะถึงเก่บความตายไปไม่ใช่น้อยข้าพเจ้าได้นำท่านผู้ฟังเข้าไปชมในถ้ำอันเป็นที่อาศัยของจิตออกจะนานไปสักหน่อยและขอได้ทราบไปด้วยว่า นักธรรมได้ให้คำเปรียบเทียบร่างกายไว้อีกหลายอย่างเช่นว่าร่างกายเปรียบเหมือนภาชนะดินก็ได้เพราะมีการแตกสลายในที่สุดและเป็นที่ขังสัมภาระต่างมีตับไตไส้ผุงเป็นต้นเปรียบเหมือนเ่าะก็ได้เพราะเป็นผู้รับใช้ของนายคือจิตเปรียบเหมือนรถก็ได้เพราะอาศัยจิตเป็นผู้ขับจึงจะเคลื่อนไหวไปมาได้เปรียบเหมือนรืนโรงก็ได้ เพราะมีจิตเป็นเหมือนเจ้าของอาศัยอยู่ภายในเปรียบเหมือนเหมืองทองก็ได้เพราะมีหนังเป็นกำแพงกัน้นมีประตูเข้าออกถ้าจะพูดให้เครื่องขึ้นไปอีกจะเปรียบร่างกายเหมือนอาณาจักรอันหนึ่งก็ได้เพราะในร่างกายนี้มีจิตเป็นเสมือนอราชาผู้ยิ่งใหญ่ครอบครองอยู่มีอายตนะภายในหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เป็นเหมือนอำมาตย์ผู้ใหญ่คอยรายงานเหตุการณ์และคอยรับคำสั่งปฏิบัติงานเป็นอันว่าจิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่น